ทสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแขกคนเข้ามาจะทราบทันทีนความกระแสะเสียงของอัดของทำที่ท่านแสดงไป <c oughs> ก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีทันทีทนท และสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดว่าขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น <c oughs> เพราะภาคปฏิบัติกิจภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติ ตทั่วไปไม่ว่าจะอิยาบทยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศเทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอะไรเลันนั้นถ้าจิตผู้มีความสงบ หรือมีพื้นฐานเขาสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิต ท, ท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลําพังและรู้อยู่กับตัวนั้นกส็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังด้วยมาอย่างนี้ ในครั้งพุทธการท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าทางด้านปริยัตในครั้งพุทธการการปฏิบัติทางด้านพิจารภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธการปริยัตนั้นมีเพียงเล็กน้อย ไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติภ <c oughs> ายหลการเทศท่างจริงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติอิตฉพรานเริ่มแต่สมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นๆเป็นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะขณะ อุปจาระสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิดที่ท่านว่าอุปจาระสมาธินั้นม่วรมเ็ดเฉียดนั่นแหละผู้ที่จะเข้าใจเรื่องอุปจาระสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเอง อยู่ในขณะนที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าเข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริษนิสัยของผู้เช่นนั้นนี่คันเดียวอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอก ดังที่ท่านปรากฏนนนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปเป็นผีเพเทบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องท่านนี่แหละเกี่ยวกับอุปจารณนี้เองยึงมีรับได้สำหรับท่านผู้นิมิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกาอยู่เสมอในภาพปฏิบัติเก่า คือสงบลงไปแล้วก็มียิบยัยิบความตูงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละ ท, ทั้งๆจิตพื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความล ะ, ละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นน่าจะเป็นคณิกะคณิกาอยู่เสมอีมหมายความว่าจิตมีจิต ม, มีตูงอย่างละเอียดละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุด ในบงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นั้นเป็นส่วนมากแต่จะไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่ใจิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจ แล้วปรากฏผลขึ้นมากับกับตัวเองนั่นแหลเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินได้ฟังจากท่านสอนหรือจากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน <c oughs> แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่ก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับก้อพระคาถาข้ออุปจาระพอลงเต็มที่แล้นถอยออกมารู้ะอย่างหนึง่ง มันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จะระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้เนี่ยเรียวกว่าเที่ยวจะระคือเที่ยวกระแสะของจิตเที่ยวไปนนเรียกอุปจาระนะสมาธิอั ป, ปนาหมายถึงความแนบแน่น <c oughs> ขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึก ด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจอ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั้นความสัมผัสทำจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลาดับลาดาจะทำให้จิตเพลินตัวไปกับ กระแสะเสียงนั้นแล้วสงบดยละเอียดลงไปโดยลำดับลาดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนมีวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติเป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่า ส่วนภายในภายนอกหยากละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับลำดาผคือ ก, กันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากกี่เดียคือภาพปริยัตมีแต่การจดจำล้วนๆแล้วจดจาได้มากน้อยเชิงไนก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเทศไม่แน่นอนใจไปตลอด ดูนั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจําได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเห็นสมาธิหยิดสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อว่าทันว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนะ่ะดูแล้วเข้าใจไปโดยมำดับ ไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหนแตจริงที่ประจับ ก, กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยตัติอ่านตามตำรับตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นกุยหมายป้ายทางอะไรทานองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนเพ่เคลือบแคลมอยู่นั้นละ่ะไม่หาย เรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั่งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เครียดที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่ที่เราวาดเป็นนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุ น, นี้เองการเรียนมากน้อยจึงไม่พ้นที่จะวาดภาพรอกตัวเองเมื่อเป็นเช่นั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละะ แต่การกราบทั้งนี้ไไม่ได้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้มีพูดถึงเรื่องปริยัติเราให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นปณิธางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นแนวทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหาในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น <c oughs> เพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูก หากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจะภาคปฏิบัติแต่นั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเร า, เราท่านๆเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตนันยูวิปปิกิตนันยู คือผูท้ที่จะรู้ไดอย่างรวดเร็ ว, รวอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดตันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องอาศัยการพินิพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรตรองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับ เ, เรื่องอัดเรื่องทรมีอนนจังทุกของอังตาอธิภาชิฟพังเป็นพื้นฐานของการดาเนินทางด้านปัญญา ไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผููเช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูกแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่วิปีตนอยู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลาดับในขนาดนั้นขนาดนั้นจนกระทาั่งถึงบรรลุทำต่อพระภักของพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากมายนี่เป็นเป็นจริง ปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือส ม, สมาธิได้เก็บความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไล่ครองตามกระแสะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไปนั่นนหะเหมือนกับว่าปัญญาเนะี่ยก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามสเสด็ดก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั้นเนี่ยไปกับสายอัดสายทำคลองอัดกลองทำไม่ออกไปทางโลกทางสงสาร มีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นนั่นเป็นปัญญาของท่านผู้ที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติปัญญูบุคคลริปจิตปัญญูบุคคลขณะพวกเรานี้จะต้องในอาศัยการพาดําเนินพาค้นคว้าพาพิจารณาจะก่อนเช่นเดียวกับเรา พุทหัดเด็กให้ทํางานแล้วควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กเฉ ล, ลยเฉไลเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานยังไม่มีใจที่จะทํางานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็เฉ ล, ลยเฉไลนี่ก็เหมือนกันปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมากติดสมาธิ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 เพาะคิดภายนอกตาหูจมูกิีนกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมประกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึง่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึง่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอํานาจแห่งสมุทยัยมันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับลูกเสียงผินรถเครื่องสัมผัสให้เกิดความทลนทลายให้เกิดความรักความชอบใจความกํมาหม่อยินดีนั้นเลยเราพูดแต่เพียง ความสัมบัติสัมพันธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนทุ่บอก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกลของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็ก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยเฉยได้เมื่ อ, อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทยัยผักดันไปตลอดเวลา แต่ทางรูกทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งการมราการมราคะาเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่ม แทนสิ่งเหล่านั้นยังไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนา น, นานไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระชวนจิตใ จ, จกับเพื่อมจิตใ จ, จเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั่นเองเออไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทําแต่สมาธิมีแต่ความสง บ, บแน่อยูอย่างนั้นนี่ ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งบรรตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พระก้าทางด้านปัญญาให้ให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของเนย่บุคคลอย่างพวกเราทั้งท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นธิดปาพิญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้ว ต้องไดพาธิณพิพจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลาดับๆนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหวตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทําการทํางานไม่ต้องมีใครมาบังคับบังชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทําไปโดยลําพัง นี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วไปยอมจะกล้าไปดูลําดับนี่ท่านแบบปัญญาเริ่มเกิด <c oughs> นี่ยําเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอนถอนก็ตามจิตก็เห็นว่าเป็นเครื่องเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเสียวนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆ เนี่ยมีหนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆน่ะเพราะคุณค่าทั้งผลของคุณค่าแห่งผลที่เกิด ข, ขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลําดับลาดับจึงส า, สามารถที่จะมาตําหนิสมาธิแม้ว่าเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธิ นอนตายให้เฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษทางการติดสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉ ย, ยพูดทึก่กระหนดาดนั้นหรือว่าคิดถึงกระน่ำนั้นกับตัวเองตําหนีตัวเองคือตําหนีสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็าตามไม่สอนก็าตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจาณาไปเองแก้ไขถอดถอนที่เด็ดไปเองโดยลําดับลําดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นนิจเป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้อันที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วดังนั้นก็ยัง ได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้สนับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลาดาไปนอกจากถึงขั้นหรืถึงระยะที่มันติดเกิดความแฝงสนเทศสงสยัยไม่แน่ใจนั่นละ่ะเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุททยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกาลังขนาดนี้ ถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นล่ะถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีมทีนึงเช่นอย่างพระสาวกที่ได้สะดับตบฟังไปพูดปฏิบัติอยู่ในป่านเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองน่ะออกจากนั้นแล้วจะจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกัน จะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาปนุมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองคลิกแผงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้แล้วการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในในตัวของของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น น, น, น, นั่นแหละะ พ่านจริงแม่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนจิเลหรือปราบกิเลให้สิ้นซาลงไปจริงแม่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจน เป็นผลขึ้นมาตามลําดับตลำ ด, ดนา น, นับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่แกาวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลิดวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานมีแต่งานโลบงานข่ากิเลสทั้งหมวเว้นแต่หลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออาํานาจของสมุวไทย หมุนจิตให้เป็นมัตกิจเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยระดับลําดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาแป็นที่เด็ดตาาัญหาสซะเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอํานาจของปัญญา น, นี้มันเป็นเหมือนน้ําไหลไฟสว่าง <sh arp inhale> จ้าเข้ามาจ้าเข้าม า, า, า, มากองทัพทำนี้เรียกว่าเผาไ ห, <sh arp ustedes> หม้เข้าไปโดยลําดับลำดาเกินกว่าที่ที่เด็ดทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตตะจากวัตจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ ท่านติงแน่ในในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วทิฏฐิบททั้งสี่ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นตัวเองระหว่างทํากับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยเรือยๆไปโดยเรื่องของรรม พระเภยไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้รู้รู้เป็นน้นาหนักกัมดาแล้วส่วนที่เบาบางไปก็รู้แล้วเห็นชัดภายนจิตใจนั้น แ, แน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าออืแน่นอน น, นั่นนี่แหละปัญญาขั้นสังขารกิเลเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาจิตมหาปัญญา นี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนาเมะปัญญานั่นแหละจนกระทั่งทั้งหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ่งเชิงไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> นั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะต่อยตัว เป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างกันพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมีโรธก็ดีมรักก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรักเป็นเครื่องแก้สมุทยัย นิโรธ ด, ดับก็คือดับทุกอันเป็นผลเกิดขึ้นจากจุโมไทยนั่นแหละเมื่อทั้งสี่อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสโมไทยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้ น, นสติปัญญาที่นมามใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดาอะสาย เ, เกียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใ <c> ช <oughs> ่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นกระสุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสีมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาตั้งข้าหาเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายเซมุทไทยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอํานาจแห่งมากมีสติปัญญาเป็นทําขัน แล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผูทท้ที่อันหนึ่งที่ที่นอกเหนือไปจากอริยสัจสี่ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมังนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกสมุทัยนิโรธมาเพราะทั้งสี่นี้เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเป็นนิโรธจึงไม่ เกี่ยวข้องกันนี่ภาพปฏิบัตินี่เราทำกับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัตจิตวัตจักรจนวัตจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกแต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปนี่เรียกววัตจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลีค่คลายออกโดยลําดับลํานาจงกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิง<อ>ไม่มีอะไรเหลือ เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วก็าศินปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วน่ะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงภาตทรงขันรับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นมาได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุ ป, ปาทานความคิดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยอย่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาลาฮาเวปัญจากขั้นธาภ า, า, าราฮาโรเะปุคาโลเป็นต้นนะ ขันต่างห้าเป็นภาระอันหนะักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุตชชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระรยบุคคลขั้นพระรหันแต่รับผิดชอบที่ท่านไม่ได้อุปท า, านแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปท า, านความมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนะักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยแต่ท่านผู้สิ้นไปนแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันเท่านั้นเองสัตนตสัญญาณนี้หากมีต่อกัน อยู่เช่นนั้นบางทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูดิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากว่าล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสยัยเนี้ยจะช่วยตัวเองตลอดนะนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยไปมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงน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 ด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงนูนี้จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตทองท่านผู้ผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามและช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการเนียความรื่นอย่างนี้จะห ก, ล, ก, ล, กล้มกรงกร่าลงไปก็ตามยังไงจิตทุท่านก็ไม่มีในเรื่องอย่างนั้น เนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองเนียกว่าสันชาติตัวรยานอันนี้เป็นของมีมาตั้งแต่ไม่ถอนไม่เกิดปรากฏว่าอันใดถอนหลัก <c oughs> ธรรมชาติที่เป็นความยืดมั่นถือมัน่นนั่นออกจากโมหะาาวิชาท้าให้ยืดมั่นถือมัน่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไ <c oughs> ปแล้วความยืด น, นั่นถือมัน่นถึงจะบังคับให้ยุก็ไม่อยู่เพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชาปรรยาตั้งข้าร่านั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักสรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นไปผ่านหรือหมดไปสิ้นไปแล้วเองไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นกล่องสําคัญมากที่เดียวผู้นี้แหละผู้จะเรียนมาตาเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดยิดแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสรรพบุคคล สัตว์น้ําสัตว์ปกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนขั้นขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้สั่งอยู่ด้วยกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดจากเสียตายหมุนเยียนเปลี่ยนแปลงเป็นในพวกน้อยพวกใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวแห้นจิตของพระพุริเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นะเพราะนั้นหมดชั่วแล้วแล้วก็หายกลางบนนิจฉาโตไปทีบุโตทธรรมดับสนิท ควมหิวความกระหายละรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละมีแต่ว่าปรินิพานปรินิพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิัยอันใดทีพ่พาให้เกิดตายกระตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่ายอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับถ้าไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี้นะ หมายึงสิ่งแม่ล้อมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหานใช่ไหนะการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความตรงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จังเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพินิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวแต่เพ อ, อย่างยิ่งคุณนักบวชเราเท่านั้นที่จะ เป็นผู้ได้ทําหน้าที่สินนิ้นเพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิงตัวเองได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคารวาสญาโดโยมเขางานของพระในขั้งพุทธการจึงมีแต่เรื่องงานเดินตะกลมเน่าสรรมดิทอนาะงานฆ่ากิเลสไม่มีคาว่างานสังสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ ไม่ว่าเราว่าท่านมันกับโกงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี้รู้สึกว่ามันอะไรมันเคะเคะเขินเขินมันเหมือนของแต่แปลกประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี้มันสนิทเพราะใครก็อยากทําใครก็อยากทําอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลัธรรมชาติมันพาเป็นอย่างนั้นนี่เหมืนรายการเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสเสียแทนที่จะฆ่ากิเลส <c oughs> ถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันต่างสมที่เลศมันต่างสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนปรุงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรปับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาคพลันไปมาด้วยอํานาจของการคว้าได้เกิดกิเลสสมุทัยมันท้ายคว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแตคมม่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจ เมื่อสติก็รู้ไปแล้วปัญญาจะนอนตัวได้ยังไงมันก็รอบตัวทันทีทันทีแะมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่ก้าก็สู่ทางด้านปัญญาแล้วที่เรศ จ, จริงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นรูปติดตัวขึ้นมาได้เหมือนยังแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกนี้แต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแตจะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปทั้งนั้นทัสิ่งที่มีอยู่แล้วมันปุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจ เพเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ทนะลุไอ้นะเนอะเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเตึงไม่ได้พูดตามเหตุตามผลตามความตัด ค, ความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่เราเคย ป, ยปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไ ม, ไม่ว่าทํำไม่ว่าทีเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญ ม, มากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยจริงไม่เคยรู้ก็รู้จริงไม่เคยเห็นก็เห็น จนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นการเจอกันจิตกับพิเศษเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละเออันนี้มีตามีหูทรายก็เธอะมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อไม่แม้ถือช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสตาอง์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตดใดจึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทสมไยห่วงรู้ได้รู้ได้เ่านี่ยสอนแทบเป็นแทบตายนะตำหนักตำรามีที่ตำหนักํารา แบกก็แบบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แกว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่ยนะนั่นมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นจริงที่ไม่ควรเป็นมันเป็นที่มาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะจังหวะจังหวะกันในเมื่อทํำได้เกิดขึ้นขึ้นตใจแล้วมีแต่เรื่องทำแจะกระดิกภาพก็เป็นทําออกทําออกทําออกหน้าที่ออกทําการทํางานการทำงาคือฆ่าทีเด็ดเบิกทางตัวเองลงไป สิงที่ไม่เคยรู้ก็รู้ถึงไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมันมีอะไรปิดนี่มันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดนั่นเมื่อสลุดลงมาแล้วอะไรปิดดินฝ้าอากาศไม่ได้ปิดหัวใจนี่น่ะว่ะเมื่อแจ้งไม่ได้ปิดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ปิดหัวใจกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจนั่นเวลามันเอาจริงๆแล้วมันเห็นโทษของกันแล้วกันพอกิเลสมันเบิกออกเบิกออกมันมันก็กว้างออกกว้างออกที่มันก็สว่างไสวออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็ที่เลสคนละปิดจะเป็นอะไรไปฝ้าม่กบัง ถ้าอาทิตย์นั่นแหละถ้าอาทิตย์ดับที่ไหนจะสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอย่างนี้เวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกัารดวงจิเลศมันปิดหัวใจก็ปิดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทํำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดชัดสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้ามมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราไปเห็นเราจะเราขั้นเราได้ไหม เมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าหรืของจริงอันเดียวกันนี่แน่หน้าหลักที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมยับเป็นเครื่องยืนยันกั น, นเป็นแาบนั้นแต่ว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละ ป, ปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาเนอะ โลกุตระธรรม ท, ทำเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้าไมีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าเงมีสติมีปัญญาประเภท น, นี้แล้วเหนือนับบันเหนือโดยลำดับลำดาแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภท น, นี้แหละเขาพูด ย, ยังไงครับสยามภูสียมผูช่งรู้เองเปิดขึ้นมาเองฝุดพ้นขึ้นมาเองความหนานแน่นของกิเลสมันหนานแน่นขนาดไหนือพวงเปิดออกมาได้ถูกโศออกมาได้เนี่ยนัตธรรมะ สั่งสอนสาวกเปิดหูปิดตาของสาวกรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระอน ญ, ญาคกนะยะเป็นประถมมาสาวกจากนั้นก็เปิดกกระเผยเอาหมด่ะโลกธาตุกวา้างฝว้งไปเดินลำดับลำดารู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามไม่ได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไ ป, นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้น เรื่องวัตวัตจักรวัตตะจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี่แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอน<ม>หายสงสัยหายห่วง<ม>เห็นทว่าไม่ดูกข้างหน้าฏิอาชาตัสสะทุกย่อมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่ายอย่างไรให้ ม, มันเห็นดูซิว่าทุกมีแก่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดให้มันเห็นท่านในเจ้า ข, ของสิมันจะจะสงสัยพระเจ้าไปไหนจิตประเภทใดน่ะจิตที่ไม่เกิด ถ้าเมื่อมันทราบแคทว่าผิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ต่อที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยอกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกข์มีเยอะแต่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาพบเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไร เดินจงกรมนั่งสมาี่พรวนาข่าพิเลพัานในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับตรงสารมันมีแต่ธาตุสีดินน้ําลมไฟดินฟ้าอากาศมีอยู่างเห็นอย่างนี้ตื่นอะไรมันเอในตัวของเรานี่ก็ดินน้ําลมไฟมีด้วย ม, มีอากาศมีด้วยมีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นักอากาศที่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี่หมดแล้วตื่นหาอะไรเออดินก็ธาตุดินนี่ธาตุน้ํนำธาตุาลมธาตุไฟแล้วก็เคยสัมผัสสัมพันธ์นมาตั้งแต่วันเกิดจนกรทั่งกว่นี้ ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอือถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิมอ่มทันทีอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปละไปจนตายผีกับผีกันมันก็ไม่อิม่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิม่มนัดติตัญหาสมานาถีอะไรที่จะหิ ว, หวยิ่งกว่าตัญหาไม่มีธรรมชาตินี้หิวหลวไม่มีความอิ่มพอเลยจัดโลกทั้งหลายยิ่เงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายเพราะทําจับเข้าไปจับเข้าไป ถ้าข้านต้านทานเข้าไปเข้าไปแล้เบื่อหน่ายนีบนน่บิดานิ่ยบิดาเบื่อหนายต่อความเกิดแ ก, ก่เจ็ดตายแล้วสอแสดงหาปุ่มนำความดีสอเสแสดงหารด้สลาก็ตัดพบตัดชาติตัดวัตบนจํานวนของวัตถะเข้ามากี่พบผีชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัตจิตย่นมัตจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภ้าพระปฏิบัติจกนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดพบตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้นโดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่แหละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะ เราอยากเข้าใจว่ากองทุกจะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นานา้ำลมเป็นลมไฟป็นไม่ใช่กองทุกหาให้เจอหานักนักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสวดคาถาตัวประกาศธรมโอษฐ์ไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสนาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วถึงมาสอนโลกหนึ่งบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศา ส, สนางสองค์ใด ท, ที่สอนแบกแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวหรือ ว่าเราเป็นลูกศิษย์เทวทัศน์ลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแหวกทำเสมอเ น, นี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราจะใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตาคตเห็นโทษของกิเลสก็เรียกว่าลูกศิษย์ตาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่างกิเลสเนื้อต่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยจอมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัศน์นั่นเองและและทำนายเจ้าของด้วยนะเทวทัศน์มีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ ผมไม่ลับหมู่เพื่อนมากินมานอนดีเฉยมากโก้เกีอยู o ่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมะแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาทีภาวนาห้าขีเลหนะท่านีงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วโดนี๋ยวนีไม่รู้จากท่านงกรมท่แล้วนะใช่ว no ่าไงเราเดินไปที่ไหนลราดูท่านงกรมของพระขี้เกียจน่ย เดินไปโน่นเดินไปนี่เดินจะดูเป็นยังไงใครทํางาไงอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทํายังไงยิ่งเรียถึงจะสลอกปอกเปิดอกทำยังไงกิเด็ดถึงจะตายทํายังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความรู้จมให้แก่ตัวเองตลอเดเวลาสงสัยไหลายตรงนี้นะใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอน เต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทพก็ยังมีหนังสือก็ยังมีก็ น, น่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทพให้ฟังค์ดุจสดร้อนๆนี่แล้วก็ยังมีเทพยังมีหนังสือใจ ก, กองตั้งเอาความสัตย์จริงเข้าสู่ในสิน่งตั้งหลังแล้วนั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหลอกแล้วหละเลีย้ยหลวแล้วเช่นนั้นแต่ถ้ามันก็ช่วยไม่ได้อยู่ทำไง ที่สอนหมูอเพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในรูปคำคำเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครแม่แต่สอนเองยังสอนไม่ได้ใช่ไหมไงเวลามันรูปคำคำสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นใช่ไหมไงแล้วก็สอนเจ้าผลเจ้าของไม่ได้นี่เรียกว่ารูปคำคำศาสตร์อาวุธมีเต็มจะจะจ ะ, จ, ะจับชิ้นไหนมา มารบมาปันช่วยตัวเองไม่มีไม่มีปัญญาจะจับมาต อ, อานละเอียดมันคืนเอาคืนเอาคืนเอาโนา่ น, นต่อเมื่อปหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นปเป็นองค์เอกและในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงชี้ลงชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกครูบาต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกทุกบท ท, กบ ท, ทุกบาทเลยนั่นนั่นไม่ค่อยค่อยเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจ ห <c oughs> นึ่งเวลา ม, มันมันงูประปามันต้องสัยเป็นอย่างังน่นนะเจ้าของก็เรียนมามั น, มนก็ปฏิบัติมาได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้ <c oughs> เวลาเะ่นั้นก็ไม่ได้สอนใข่แม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนใคร อ, อยู่น <c oughs> ั่งไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมุนเวียนมาหาเนี่ยกัมาด้วยความเป็นเองมาตามมทิยาสัยเราก็สอนเต็มภุมิของเรา สงสัยหรือไม่สงสัยก็กเท็จแล้วก็พูดพูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วเนี่ยใช่พูดรืว่างงานอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มครูไม่มีอะไรนี่ลับเต็มครูไม่มีอะไรเหลือเลยภายในะหัวใจี่ไม่มีอะไรอยู่อสอนหมู่เพื่อนหมดเบิดออกไมา้เห็นอย่างเต็มที่เต็มทางเลยแล้วก็ใช่ผมหาอะไรมาให้อีกสอนไม่เพียนเนี่ยก็ฟังดิค่ากิเลสด้วยความเพี้ยนหน่อย ไม่ในค่ากิเลสด้วยความเกลียดค้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับทำยังไงความที่เกียดขี้ค้านท่อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ทำมันคลื่นกระแสของนรกจกเปรตมันมากกว่มากนะทุกวันเนี่ยถ้าเรามันถึงจะพัทงทลายพัทงทลายประจํากระแสลึกขึ้นของนรกจกเปรตเนี่ยจนมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่ แบกออกไปไม่ได้นะอะไรอะไก็เป็นแต่เรื่องค่ากิเลสค่าค่าพนค่าพระค่าเน้นทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาสุวันนี่เราเห็นไหมยังยังยังมันเหล่านี้เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงอหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างเนี่นี่ละอุบายของกิเลสมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่เราสว่าง แล้วต่อไปว่าถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาละดีตู้เย็นนั้นล่ะเป็นเป็นสายทางเดินของเทวทัศน์ของวีดีโอนันจะเข้ามาทําลายเข้าตรงกระทั่งพุทธิธาเห็นไหมทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเพราะว่านี่นหาอวบอิจติไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้คิดหายทากว่าธรรมะมีในใจทําไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนธาขนาด พวกเราเร า, ท, าท่านท่านทําไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นภครแล้วมันทําไมมันถึงดื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทําาอย่งได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านน่นเห็นไหมนี่นี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงมันได้เข้าครอบหัวใจได้แล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความพยอทะยานเท่านั้นเออดูเอาสิพระพุทธจา้าสอนให้ดีให้เวน้นโหนุกกมลเชสนะทนังฮะ บางที่ให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้าเหมืองผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้คลานวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม่้ในสุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลมหมากล่าไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินอยู่ที่นั่นก็จะไปอยู่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าเออท่าท่าน้ําที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นหือว่าที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะ ให้ประกอบความพักเพียงทั้งวันทั้งคืนอยู่ในนนนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชจิมาปฏิปทาเรียกว่าอะไรในขณะในบรรยกาปฏิปทาหน้สูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสวดมนต์นั้นเนี่ยสูตรอามาส่วนส่วนมนต์อยู่ผู้สวดจะสวดเองเวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดมันท่านไม่ได้ มันได้บอกว่าให้เอากวอนสิ่งเนี้มาเผาหวาัวนะถ้าไม่ได้ว่านี่มันเผาหัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เผ า, หาเหัวเผาหัวใจพ้านั่นแหละจะเผาหัวใจผิดเรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาข้ามาทําไมถ้าลูกอยู่ถ้าถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทําไมถ้าเราละอายในความเป็นท้างเราอยู่เอามาทําไมฮนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เดี๋ยวมันมัน ถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันท้าทําให้ด้านนะหน้าด้านหน้าด้านไปเลยนี่ยนี่อยู่ตปะไม่มีน่ะว่าไงแล้วนั้นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องนีเป็นเรื่องของยิ่งใหญไปทั้งหมดเลยมาไงเหมืนน้าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นนี่นนี่หาทางไปไม่ได้นั้นมันมีตั้งแต่คาสศึกเต็มรอบด้านคุณยังไง ทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัานเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะอ้พิเรฒมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอ ด, ดันเรื่ขึ้นมานี่หัวเราะนะพิเรฒหน้าด้าน น, าน่ลรักพิเรฒหัวเราะทำดูเอาดูอย่างาใครเป็นก็ตามดูเอาพิเรฒหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเหรอะ๋เทสเข้าใจไหมป่าวล่งนะจากนี้นะทเาาทสกรรมฐานทเทสแบบบง่บงเบง่บงบ่งเบ่งไปงี้แล้วนะ ต้องขออาภัยด้วย <perto> ในบุคคลศิกษาท่านมีมีจดมีอยู่ในนผมเห็นในบุพคลศิกษาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันเหรอรผมก็เป็นตัวเยงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝัน อันหนึง่งอันหนึ่งในในหนังสือก็มีด้วจะจะหลายเรืมองหน่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จทรหารแล้วต้องบวชภานเจ็ดวันถ้าถ้าไม่ไบวชภาในเจ็ดวันนล้วต้องตายอะไรบางในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเอง ในหลักธรรมชาติอะไรที่ต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันทุกรนาดว่าถ้าถ้าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลยเจ็ดวันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายในเจ็ดวันคืสิ้นเกิดแล้วถ้าไม่บวชเลยจะดำไปตาย ใ, ในหนังสือนี้ผมก็เห็นไม่ใช่พูดแต่เราเห็นนีจรินอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนักแก่อนก็นเหมือนกับว่าที่ว่าพระ พาระรหันนอนนอนนอนหลับแล้วไม่ฝันนี่ยคือว่าผู้สำเร็จอะอรหันตะพุมแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภาระนาเจ็ดวันไม่บวชแล้ตายแบบมันจะเห็นทีนี้มันก็มาทำมันทำให้อดคิดไม่ได้ทุ่วั น, น, นไม่คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขัน ทำไมฝันไม่ได้นี่เป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดุกกดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วๆไปทำไมพระสารจะฝันไม่ได้นี่ที่เอามาเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันนี่มันชัดเจนที่ทั้งกิตด้วยเอาทั้งขันห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันหานี้ที่หายไปแล้วเหรือแล้วขันขันหานี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีบดิ้นได้ก็ฝันได้เลยสินั่นว่าไง ขันเป็นขั น, นทำไมจะขันไม่ได้นี่ที่มันน่าคิดอยู่มันคิดแะไรที่นี่ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ต า, ามมันคิดก็บอกว่าคิดเรา <c oughs> แล้วเดี๋ดพูดตัวอย่างเห็นจะชัดกันอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่ยอันั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านท่า น, ท, านท่านนอนหลับท่านละเมอไป ท่าขันมันไม่ค่อยสบายมันท่านนอนหนับท่านสันท่านสันมันละมือไปดังเอ๊ะ เ, เ, เราเดินจงกลมอยู่ข้างๆกันเราก็ะพุปป้บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินแบบกุ๊บปั๊บั๊ใครอยู่หลังเรากระดาบวเรวียมท่านครับผมมาเสียงก็แม่กุญแจไม่เห็นผิดปกตริระหว่าง โอ้โพินอที่ันได้กี่แนวเป็นไงทำดีพินอะรที่สมบูรันได้กี่แนวันเรื่องหมาอย่างมันยังหมามัใช่มอย่งเวลานอกผมรุ้นัาละเนี้แต่เากี่ยวกับหมานะนะพูดเรื่องหมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ้าให้หมาเพิ่นดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นล่ะผมรุ่นสมนาถน้าทกจะได้แค่ว่าเพิ่นฝัน เราถึงกับเราอ้ากันนะอย่างผิดปกติผมได้ยินผมเป็นกวนข้างๆนนี้เพื่นน้อยไม่ห้องสลาแตะกอนปุตติขึ้นหลังนั้มมนมอนนี่เด้เพื่นกั้นห้องสลาเ่ว่ามันหลังอยู่ผมไปจอดปั้งเพื่นน้องน่ะมีหมาเป็นน้องผือทานกั้นห้องสลาอยู่แล้วก็ก็พอพอท่านไม่สบายระดับหนึ่นองอ่ะท่านเป็นวัดวัดจะเป็นวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินกวนแปลกๆอยู่ข้างๆเพราะ ถ้าทำถ้าไม่ดีก็ทราบถ้าเยิงก็ทราบก็มีผมแต่ตอนนั้นก ouais ็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินอยู่ข้างๆสลานตรงตรงไปทางห้องสั่นพักกันแหละผมเดินกลิ้งข้างเห็นได้ยินแสงขีดปกติเอผมเลยปรุปรับนะจะยิงยิงไปหาท่านนึ่งอ่ะพอผมเดินผมลองเท้าผมปรุปรับๆนึ่งทได้ยิงยังยงท่านก็เลยปึกั๊ก้งใครมาห่ะงสลานบวก หน่อยหอเอามาหน่ว่าก็คือยังเสียงพแมวกู้ยานผิดปกติหน่อยหนึ่งว่าหันอย่างเงเออแม่นแล้วใช่ไหม่ันทว่าใช่ไหมมันเอามาไปสุนแนบมับกลงเลยมันมันฝันทว่ากันฝันว่าหมายังเป็นลาหมากล่าวตังเลยหรอกเพิ่นก็บัอย่าี้ยเขาอยู่รงงเาก็ยิ้มอยู่เพิ่นบอกตั้ันทว่าใ่ไ่ะถ้าม่ะก็เลยเพิ่นก็บอกสมราันก็เพิ่นกยเพากันไม่หนีหนีออกานั่นเห็นมล่ะ ลหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นพระแม่าอาจารย์มั่นเราเนี้ยเป็นอะไรฟังสิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอ า, าเอาของเนี้ยันกันพระธาตุท่านเห็นไหมล่ะนั่นก็ออยืมยันกันท่านผันหรือไม่ฝันฟ <c oughs> ังสิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพระจางก็ตามผมผมก็นั่งแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันไปธาตุขันเนี่ยอย่างที่ผมพูดดีนี่อือ อะไรเป็นครับเป็นไปกระทบกระเทือนของขันท่าข้ามเป็นอหันของแต่ละองค์ละองค์ของพรานทลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันท่าพอใช้สังฆาขันท่าแสดงตัวไม่ได้ว่านั่นขันท่าเป็นขันท่าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันท่านน่นะอันหนึ่งอันหนึ่งที่ว่าเอถ้าสําเร็จ ทำขั้นสูงสุดคืออาราตะภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตาภยภายในเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันทั้งไม่คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี้วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นเพชฌฆาตฆ่าขันท่าเทียบหรือเปล่าหนักอันนี้มันจะเป็นเพชฌฆาตเลยนะจริงได้ที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันทองท่านเหตนได้จะต้องไปตายถึงภายในเจ็ดวันมานี่อันหนึง่ง นี่ว่าบ้ากก็ว่าแล้วเพรามันเกินเหตุเกินผลไม่ต้องหรอกนั่นเนะองนี่มีความจดจาริคสาคัญเลยนะเอาจรความจำมันล้วนอะไรมาก็ อ, า, กอาจจะจําึงสี่ห้าจบ ม, มาเรื่อยๆไปนั่ก็ได้เราเข้ามาเดีประมาธนะิเราอาจเป็นความสนิฐา น, านอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจําความจําไม่มีความจิงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลําบากเหมือนกันนะ มีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ประจจจารึกนั่นน่ะถ้ามีความจริงภายในจิตใจมีภูมิคิดคุณิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากม า, มาจะไม่มีแต่คํามจังล้นลนมาพระพุทธเจ้าทำพาช่วยโลกช่วยจนสุดสุดท้ายนะคูพุทธเจ้านะสิ่งอย่งอะไรนันตพรมอะไรชิพทะพรม ตามแก่ช่วยจุดท้ายเทศให้ฟังแล้วค่ายสร้านุนปรบวดให้เป็นปฏิมาสาวกในคืนวันนี้เป็นวันจุดท้ายของเราแ ล, แล้วพอบวชแล้วออกให้ออกไปทําความเพียรอยู่นอกหนันช่งดิโกงจงเลนเห็นรูปปฏิสัยแล้วเนี่ก็ได้บรรลุทําในคืนนันน่น คือวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นก็ได้เป็นปชิมาสาวกอย่างนั้นเองสงสารขนาดนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อทาพคนนี้คนหนึ่งอานนุนมานั่ น, นเพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คืออพระบรมธาตุของพระองค์หรือพระพระพระศรีราของ พ, อองะ ร, พร ะ, พระรองค์ตอนนั้น ย, ยังไม่เป็นพระบรมธาตุยังไม่รู้แหละแต่พระศรีรากพระองค์เวลาถูกเผาไปแล้วนั่นนะถ้าไปเผาเมืองไปทํา เมืองใหญ่บนิษันเมืองใหญ่หญเขาจะไม่แบ่งกันได้เกืดอข้าสุดกันพวกองค์ชาบไว้หมดจึงต้องไปนน็นริษัทในเมืองกธินาราแล้วก็ได้แจกกันหนังที่เห็น น, หนันะ่นแหะทำประโยชน์สิ่งนั่นเรานี่มีอเท่าไรมือแล้วชื่อโลกจะหนังสงามไปที่ท 3, ไหนอดสงสามมาได้ไหมเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อ วันหนึ่งวันหนึ่งเราตามปกติผมอยู่อยู่ลำพังคนเดียวผมมาผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนหนะน้ายมที่มาผมคนนั่นผมก็อุตชาเฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งวันหนึ่งแล้ว เ, เราอยู่โดยลําพังเราคนเดียวคนเดียวมันเหมาะพอดีพอดีแ่ะยุ่งแต่ น, นั้นยุ่งก็มีแล้วโอ้ไม่สบาย เอาละดีนะเดียวกันละ